นาหกนะข้อสในวิสุทธิมัติข้อความต่อจากเมื่อวานนี่นะซึ่งเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงคำปรารพของพระพุทธโคสาจารย์ที่ท่านปรารถถึงการแต่งคำพีของท่านนะซึ่งเป็นคำพีที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติ เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าวิสุทธิมัชตรงข้อความข้างบนเนี่ยจะมีคำว่าวิสุทธิมัชคังภาสิสังไซเมอรนะ์ในในนั้นแหละคำว่าวิสุทธิมักตรงนั้นท่านก็ยกมาเอามาแบ่งเป็นสองสพั์คือคำว่าวิสุทธิกับคำว่ามักนนะวิสุทธิมัช ก, ก็แบ่งเป็นสองคำใช่ไหมคือวิสุทธิกับมัช ทีนในบทว่าวิสุทธิมรรคนั้นเพิ่งทราบว่าขยายคําว่าวิสุทธิก่อนพระนิพพานอันเว้นจากมนทินทั้งปวงบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวชื่อว่าวิสุทธิอันคําว่าวิสุทธินั้นเป็นชื่อของพระนิพพานนะเพราะวิสุทธิโดยศัพท์นี้แปลว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถามว่านิพพานนั้นบริสุทธิ์จากอะไร Oh. คำว่ามนทินนี่เครื่องเศร้าหมองใช่ไหมมนทินนั้นมนทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสมนทินเครื่องเศร้าหมองคือสังกิเลสมนทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสเช่นราคะเป็นต้นนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิพวกนี้เรียกว่ามนทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสแล้วก็มนทินเครื่องเศร้าหมองคือสังกิเลสได้แก่ทุจริตกรรมกายทุจริตวจีทุจริตและก็ มนโนทุจริตสังกิเลสเครื่องเศร้าหมองอีกอย่างหนึ่งก็คือทิฏฐิความเห็นผิดและก็ตัณหาอันนี้ผานนี้เว้นจากมลทินเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิพานนั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวจึงชื่อว่าวิสุทธิเพราะฉะนั้นชื่อว่าวิสุทธิมรรคเพราะอาจว่าเป็นทางแห่งวิสุทธินั้น ไอ้คำว่ามักเนี่ยแปลว่าทางทางหรืออุบายนั่นเองนะเรียกว่าอุบายบรรลุชื่อว่ามักหรือทางคำว่ามักนี้หมายคำว่าคำว่ามักนี้อธิบายว่าไงคำว่ามักนั้นมีความหมายว่าผู้ที่ต้องการพระนิพพานพึงแสวงหาอานะคล้ายๆกับว่าใครที่อยากถึงนิพพานก็ต้องแสวงหาประตูก่อน อริยมรรคนี่เหมือนประตูอริยมรรคนั้นเป็นเหมือนประตูแห่งพระนิพพานผู้ต้องการพระนิพพานจะต้องแสวงหาอริยมรรคและก็อริยมรรคนั่นแหละเป็นเหตุให้บรรลุถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าจะกล่าววิสุทธิมรรคทางคืออุบายบรรลุวิสุทธิอันได้แก่พระนิพพานนั้น น, นะพระพุทธโ法อาจารย์ท่านก็บอกว่าท่านจะกล่าวคำพีซึ่งเป็นคำพีเป็นคำสอนที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานเนี่ย น, น, นะหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยนะแปลว่าธรรมะที่เป็นเหตุสแสวงหาความบริสุทธิ์ถ้าคำพีวิสุทธิมรรคก็คือคำพีที่กล่าวถึงเหตุหรือกล่าวถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์ แต่ถ้ามักรก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความบริสุทธิ์นี่นะให้ถึงพระนิพพานก็วิสุทธิมักนั้นบางสูตรแสดงไว้โดยเกี่ยวกับศักว่าเป็นวิปัสสนาเท่านั้นคือคำว่าวิสุทธิมักเนี่ยนะในพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำว่าวิสุทธิมักรอยร้ายแห่งด้วยกันนี่นะ เพราะฉะนั้นคำว่าวิสุทธิมรรคในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธโคสอาจารย์ท่านยกมาเป็นตัวอย่างห้าคำพีก็พอห้าแห่งก็พอนะท่านยกมาห้าแห่งให้เป็นตัวอย่างคําว่าคําว่าวิสุทธิมรรคในพระไตรปิฎกนี่มีหลายแห่งนะถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงคําว่าวิสุทธิมรรคไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎกซึ่งคําว่าวิสุทธิมรรคแต่ละแห่งนี้อมถ้อยความไม่เท่ากันบางแห่งนี้ มีเนื้อหามากบางแห่งมีเนื้อความน้อยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงโดยนัยต่างๆโดยเทศนาวิราชคือพระพุทธเจ้านี้เป็นพระธรรมมาราชาใช่ไหมเป็นเจ้าของธรรมนั้นพระองค์นี้สามารถยักย้ายพระธรรมตามพุทธประสงค์นะพระองค์ประประสงค์จะยักย้ายพระธรรมให้เป็นอย่างไรพระองค์ก็ยักย้ายได้อย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ อันนี้ยนอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมไม่หลากหลายมากก็เพราะว่าอัธยาศัยของสัตว์นี้หลากหลายเห็นไะหสัตว์บางท่านจะต้องแสดงเยอะเขาจึงจะตรัสรู้ธรรมสัตว์บางท่านก็แสดงน้อยแสดงไม่มากสัตว์เหล่านั้นก็สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้อันพระองค์นี้เป็นศาสถาเทวมนุษยานังเป็นศาสดาเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย น, นะนั้นพระองค์นี้สามารถยักย้ายพระธรรมคาสอนเหมาะสมแก่อัธยาศัยของเหล่าศักด์ได้ทีนี้ตัวอย่างแรกเลยเนะว่าพระองค์นี้ทรงแสดงเกี่ยวกับศัก์ว่าเป็นวิปัสสนาเท่านั้นก็คือในในสูตรเนี้ยแสดงเฉพาะวิปัสสนาไม่ได้กล่าวถึงสมถะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าสพเพสังขาราอนิจจติยธ า, าปัญญายาปสติ อาานิพินติดุเขเเอสั ม, มโคโววิสุทิยาที่แปลว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้คือทางแห่งวิสุทธินี่นะนี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์ฟังกันเถอะทีนี้คำว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอันนี้ก็คือเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญา ในสังข ung, งงรารทั้งหลายทั้งปวงคําว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้แก่สังขารที่เป็นไปในภูมิสามนะสังขารที่เป็นกามาวจรสังขารที่เป็นรูปาวจรสังขารที่เป็นอะรูปาวจรเมื่อใดที่บุคคลมีวิปัสนาปัญญามองเห็นสังขารที่เป็นไปในภูมิสามนั่นแหละไม่เที่ยงคําว่าไม่เทียนน่ยงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นคําสอนระดับ ตีระปริญญาล้ระดับตีระปริญญาระดับปะหานะปริญญาอันนะั้นเราก็สามารถไล่ลําดับว่าก่อนที่พระองค์จะแสดงอย่างนี้เนี่ยผู้ฟังนี้แสดงว่ามียาตะปริญญาเป็นอย่างดีมีจิตตวิสุธทธิเป็นอย่างดีและก็มีศีลวิสุธทธิเป็นอย่างดีฐานต้นๆ้นท่านดีแล้วพระองค์ก็เลยสอนตรงนี้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ก็บอกว่าเมื่อบุคคลเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาว่าสังขารที่เป็นไปในภูมิสามเนี่ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นของสุดโทมไปทุกๆขณะไปเมื่อนั้นคือภายหลังต่อจากนั้นญาณทั้งหลายมีอุทยพยายานเป็นต้นก็เกิดขึ้นนะครัว่าเมื่อนั้นเนี่ยนะก็คือเมื่อวิปาาัสนาญาณค่อยๆเจริญขึ้นตั้งแต่อุทธยป ย, ยานเป็นต้นไปเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุก คําว่าเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกก็คือย่อมได้นิพพิธายานในทุกขกล่าวคืออุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นนิพพิธายานเขาก็เกิดขึ้นมองเห็นโทษภัยของอุปาทานขันห้าเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้านิพพิทายานที่เบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คือนิพพิทานนั่นแหละเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแห่งวิราคะเนี่ยนะนิพพานนี่เป็นปัจจัยแห่งโคตรภูเป็นต้นใช่ไหมโคตรภูมรผลก็จะเกิดขึ้นก็สามารถบรรลุทําได้น ะ, ะนิพพานเป็นต้นเหล่านั้นแหละเป็นเหตุแห่งอริยมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นก็มองเห็นพันิพานตรัสรู้พันิพานมีพันิพานเป็นอารมณ์อัะนนะัข้อความอันนี้เนี่ยเพราะท่านยกมาจากคัมภีรธรรมบทนะ ในคาถาธรรมบทเล่มที่สนะี่สบามนะฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มในเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปนะนะก่อนที่เราจะมาฟังคาถานี้เราย้อนไปทบทวนว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสย่อๆแค่นี้ตรัสกับใครซึ่งเขาฟังแล้วเขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยพูดง่ายๆเขาบรรลุเล ย, ยนะก็คือข้อความในคาถาธรรมบทนั่นในมักควัก วันนานาเรื่องภิกษุห้ารอยรูปอื่นอีกเนี่ยน ะ, ะข้อความเบื้องต้นมีว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงตราบภิกษุห้าร้อยรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสเพสังขาราอานิจจาเป็นต้นคือเรื่องรามีอยู่ว่าภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเนี่ยนะก็คือเรียนธรรมะมาเป็นอย่างดีแล้วภาคเพียรพยายามอยู่ในป่า ศึกษาคำสอนมาอย่างเข้าใจอย่างท่องแท้แจม่มแจ้งคิดว่าตัวเองไปปฏิบัติได้แล้วก็เลยเข้าป่ากันทีนี้ขณะที่เข้าไปปฏิบัติอยู่ในป่าก็ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนกรรมฐานให้มันยิ่งขึ้นไปสแสดงว่าเรียนมาไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันขาดตกบกพร่องยังไงอย่างหนึ่งหรือเปล่านาะเดี๋ยวจะกลับไปเรียนใหม่เหมือนกันดังนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของพระศาสดาเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เลยทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรหนาะแลเป็นที่สบายของภิกษุเหล่านั้นนนะก็เรียกว่าธรรมะนี่จะต้องสัปปายะนะต่อการปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมะที่ไม่ตรงกับจิตอัธยาศัยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะได้อย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านก็ให้กรรมฐานแต่ลูกสิษย์โดยให้กรรมฐานกายคตาสติ แล้วก็ภาษาริบตรนี้มีความรู้แตกฉานในเรื่องกายคตาสติในเรื่องของกายานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยอย่างแตกฉานว่า ง, งั้นเถอะพรานความรู้ของท่านรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก้อนสอนต่างๆอันะลูกศิษย์ก็มารายงานผลให้ฟังแล้วก็เน้นเข้าไปอี ก, กนะมีแต่ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลูกศิษย์ก็ปฏิบัติไม่ได้ผลทีนี้ท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ของท่านคนนี้ไม่ใช่สาวกเวไนคือไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นบุคคลที่สาวกจะพึงแนะนําได้เขาเป็นพุทธเวยไนเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะพึงแนะนําได้อันพอก็เลยพาพิสูุรูปนี้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอีกภักหนึ่งมาดูกันแล้วกันจะเป็นผ้าละหันเหมือ น, นั้นนะพระองค์ก็เลยให้กรรมฐานก็คือเนรมิตรดอกบัวให้นะพิสูรรูปนี้ดูดอกบัวแล้วก็ต่อด้วยกสินอาศัยพื้นฐานจากกสินเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นผ้าละหันเลย ไม่ยากครว่าถ้ารู้อัธยาสายัยธรรมะเป็นที่สปายะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องไข่ครวนก่อนคําว่าสปายะนี้ก็คือพระองค์ดูตรวจดูจริตก่อนใช่ไหมถ้าเขาราคาจริต จ, จะให้กรรมฐานไหนถ้าเขาโทสะจริต จ, จะให้กรรมฐานอะไรโมหะจริตวิตกจริญศรัทธาจริตพุทธิจริญเนี่ยนะหรือว่าในจริตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาเจริญกุศลธรรมได้ระดับไหนแนละต่อให้เขาเลยได้อย่างไร พระ อ, องค์นี้สัพพัญยุตยานตรวจสอบได้หมดเลยทีนี้พระ อ, องค์ก็เลยทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะตามประกอบแล้วในอริฏอานิจจาลักษณะสิ้นสองหมื่นปะีนะภิกษุเหล่านี้เจริญพวกอนิจจานุปัสนาเป็นต้นมาประมาณสองหมื่นปีแล้วล่ะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงคาถาด้วยอนิจจาลักษณะนั่นแลแก่เธอทั้งหลาย สักหนึ่งคาถาย่อมควรโอ้คาถาเดียวนี่ก็พัวแล้วบรรลุแน่กลุ่มเราเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านฟังแค่นี้นะเพราะว่าอย่างน้อยท่านบวชเข้าป่าเข้าเขาได้นี่ก็แสดงว่าอย่างต่ําก็หพันษาขึ้นไปแหละเห็นไหมเฉพาะบวชในในสมัยพุทธกาล5พันษาแค่ดูนะสมัยที่พระสาวกเป็นต้นมีความรู้มีความแตกฉานพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันแล้วไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาได้ยินได้ฟังเรียนรู้มาไม่ใช่น้อ ย, อ ย, อยเลย เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งปวงในภพทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นไม่เที่ยงเลยเพราะอาจว่ามีแล้วก็ไม่มีนะคาว่าไม่เที่ยงก็คือมีแล้วหามีไม่มีแล้ ว, ห ม, มมลวหมดไปมีแล้วก็เสื่อมไปมีแล้วก็ไม่มีนะเลยพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวไปว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อม นายในทุกเคยเ hey. <halten. S 1> มื่อวิปัสนาปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะก็อนุปัสนาก็จะเกิดขึ้นอานิจจานุปัสนาเป็นต้นก็เกิดขึ้นเมื่ออานิจจานุปัสนาเป็นต้นเกิดขึ้นนิพิทา น, นุป <zum gives sti> ัสนาเป็นต <obic> ้นก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับอันะเขาก็ย่อมเหนื่อยหนายในวัตทุกข์เหนื่อยหนายในสังขารเหนื่อยหนายในขันห้านิพิทายานก็เกิดนิพิทานุปัสนาก็เกิดอานิพิธานุปัสนานั่นแหละเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรค อริยมรรคก็เกิดขึ้นนะประหารกิเลสบรรลุมักผลนิพพานเลยทีนี้อัตถกถาท่านเลยอธิบายว่าบทว่าสัพเพสังขาราเป็นต้นความว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยวิปั ส, สนาปัญญาว่าขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในภพทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะต้องดับในภพนั้นนั่นเองนะคนที่เรียนวิปั ส, สนามาดีเนี่ยจะรู้เลยนะคนที่เรียน วิสุทธิมรรคภาคสามาเนี่ยนะจะรู้เลยว่าท่านให้ในายเฉยๆก็บอกเออสังขารในภพก่อนก็ไม่ถึงภพนี้อ่า น, นะสังขารในภพนี้ก็ไม่ถึงภพหน้าอ่า น, นะเสร็จแล้วก็สังขารในภพนี้ก็มาย่อยจากอ่า น, นะเกิดตายใช่ไหมแล้วก็มาหารเอาเอาสามวัยมาจับอ่า น, นะเอาสามวัยมาหารเอาสิประยะติสปีมาหารลงแล้วก็สงเคราะห์วิปัสสนาไปเรื่อยๆท่านให้แนวทางก็พอเพราะว่า ถ้าหากว่าอธิบายเหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ไหวนะจบไม่เป็นนักทีเพราะฉะนั้นข้อความไหนที่ท่านได้อธิบายไว้แล้วท่านก็ไม่อธิบายเพราะฉะนั้นเนื้อความตรงนี้ก็คล้ายๆกับในสัมมสนาญาณในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะสัมมสนาญาณก็กล่าวไว้ในลักษณะนี้อยู่แล้วท่านให้หนในเฉยๆอันนัให้เชื่อมเนื้อหาให้ดูแสดงว่าการพิจารณาไตรตรองถึงขันห้านี้นะฮะเจนทาน หมายความว่าในขั้นยาตัดเป็น ญ, ญาเนี่ยเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเจนทอนจึงจะมาพิจารณาว่าในระดับของอัฐาเนี่ยในในในในขั้นของอัฐาเนี่ยก็พิจารณาการความไม่เที่ยงนในระดับอัฐาตีรณปริญญาตีรณ ะ, ร ะ, ญญรณะนี่เป็นเริ่มตีรณะปริญญายากที่สุดเจนทอนทว่าพิจารณาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบั น, นแล้วก็ อ, อนาคตเจนทานว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมครับเจนทนนี่หมายความว่ า, วา เป็นการพิจารณาใครควรวญในลักษณะที่มันเป็นปัญญาธรรมดาอย่างนี้หรือว่ามีมีญาณในขันสรรมบทที่เห็นอย่างนั้นคือเรารอให้เห็นไม่ได้นะปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการน้อมไปนะโอนไปน้อมไปประกอบขึ้นนะไม่ใช่ว่าให้มันให้มันอยู่ๆแล้วโอ้ใช่ไม่เที่ยงเลยนะมันโป้งขึ้นมามันโล่งขึ้นมามันวาบขึ้นมาไม่ใช่อย่าง น, นั้นแน่นอนนะปัญญานี้เกิดจากการประกอบจะเกิดจากการเข้าไปใครครวญ แต่อย่าลืมว่ายาตะปริญญานั้นก็คือกรรมสกตานั่นเองอคนที่มีกรรมสัสกตาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะก็คือเห็นความเป็นไปของสังสารวัตรนี้ตลอดสายทีนี้ถ้าจะออกจากสังสารวัตรทาอย่างไรอะ่ะเพราะว่าสังสารวัตรนี้เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์แห่งความยึดถือเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปไข้ครวนนะนะเพราะนั้ น, นะนที่สาธ์ทั้งหลายยินดีก็คือยินดีในความเป็นไปในสังสารวัตนี่แหละแม้แต่อดีตชาติเราก็ยินดีนะ ถ้าใครมาบอกโอ้เมื่อชาติีแล้วคุณเป็นพระราชานะยิ้มแป้เลยใช่ไหมหรือใครมาทักว่าชาติหน้าคุณจะเป็นเทวดานะก็ยิ้มอีกนั่นแหละพอชาตินี้คุณผิวพรรณอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยลองมาภาณนาสรรพคุณในส่วนที่ดีๆเนี่ยสรุปแล้วโลภะเกิดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปไข่ครวนในอารมณ์นั้นทั้งหมด น, นะกิเลสเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์ใดก็ต้องทําปริญญาในอารมณ์นั้นนะั่นนะแล้วก็ต้องมีการไข่ครวน ก็บอกว่าเมื่อใครครวนอย่างนี้เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกอันเนื่องด้วยการบริหารขันนี้ก็จะเห็นเหนื่อยหน่ายในทุ ก, ก น, นะก็บอกว่าพอใครครวนอย่างนี้เข้ามากๆก็สามารถที่จะเห็นเรื่องสมุดฐานเป็นต้นอย่างชัดเจนก็เห็นความเป็นไปของการบริหารกายนี้บริหารทั้งรูปประกายและนามากายก็จะเห็นโทษเมื่อเหนื่อยหน่ายย่อมแทงตลอดสัตว์จะทั้งหลายถามว่าแทงตลอดด้วยสามารถแห่งกิจนะ แทงตลอดอริยศาสตร์นี้มีหน้าที่นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็วูบขึ้นไปเลยไม่ใช่แต่ว่าเขามีกิจของอริยศาสตร์เช่นมีการกําหนดรู้หรือปริญญาากิจในทุกเป็นต้นนะปริญญาสามในทุกปหานากิจในสมุทัยสัจชิกาตะพระคือทําให้แจ้งในนิโรธแล้วก็พาเวตะพระการเจริญในอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหนก็สามารถแทงตลอดอริยศาสตร์โดยทํากิจ ของสัตจะแต่ละสัตจะตามสมควร